ขอโอกาสเพื่นอนกษะตริย์สมิกที่กลบจารนพรมายังยติงยมบาทสกวปชิกาที่สนใจใฝ่ายใจในการที่จะสำรวจดมนดุษปฏิวัติธรรมตกแต่งแล้ก็มาศึกษาเรียนรู้ ตําราเล่มใหญ่ก็กายใจของเราในแผ่นวิชากรรมฐานเราเห็นกายของเราก็เพิ่งปจ 4, ัจจัยสี่เมื่อกี้เราสวดกันอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งหม่มขณนอากาศเย็นแล้วก็นุ่งหม่มให้มันอบอุ่น เรว่ามีความรรรู้แล้วก็มีปัญญาที่มันพอจะช่วยเหลือกายก็ช่วยเหลือกายได้จิตใจก็ต้องช่วยเหลือจิตใจให้ได้รูปธรรมช่วยรูปธรรมนามธรรมก็ช่วยนมายนมธรรมปัจจัยสภายใน สติ ส, สมาธิสัมยยปชัญญะมันก็จะช่วยตัวจิตตัวใจของเราใช้ธาตุกรรมฐานธาตุรู้ธาตุว่างกายเราใช้ธาตุน้ําธาตุไฟธาตุดินธาตุลมเราก็ดูแลกันตัวเราก็ตัวเรานี่ยละ่ะตัวเองดูแลตัวเองกายดูแลกายใจก็ดูแลใจ ผ่านความรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวหันกลับมาดูอ่านต่อรหัสของไกาของใจมันก็เป็นการเดินทางเป็นการดําเนินชีวิตเป็นการใช้ชีวิตใช้กับตัวเองบ้างใช้กับผู้อื่นบ้างใช้กับตัวเองก็ดูแลตัวเองให้ผาสุก ใช้กับผู้อื่นก็ทำหน้าที่อะไรได้เป็นความไม่ดีไม่งามไม่สุขไม่สวยแล้วก็ช่วยกันทำอยู่ในกรอบของคุณธรรมช่วยให้ทำศีลธรรมวัฒนธรรมรวมอารยธรรมของแต่ละชุมชนนั้นๆหรือว่าของแต่ละประเทศมันก็จะมีลักษณะของการถ่ายทอดถ่ายเทกัน แบ่งปันบอกต่อสืบสารโดยมีหมุดหมายปากเอาไว้ชัดมันเป็นเรื่องของความสุขยิงสภาวะของการปฏิบัติเนี่ยมันเป็นสภาวะที่เป็นอิสระทางจิตวิญญาณเราเห็นจิตใจของเรามันมีอิสระ มันมีพลังซึ่งมันเป็นพลังที่เกิดจากการที่เรามีความเพี่ยน <c oughs> เพี่ยนที่จะกดข่ม <c oughs> เพียนที่จะละ <c oughs> เพลี่ยนที่จะทํายังต้งเป็นนิสัยอย่างเงี้นะทำยังต้องมันละได้จริงๆแล้ว <c oughs> แล้วก็ผล <c oughs> แล้วมันก็มีจริงๆ อารมณ์ตารมก็มาให้เราได้เรียนเราก็เรียนแล้วเรียนอีกเรียนแล้วเรียนอีกเช่นปฏิบัติในความปวดความเมื่อยก็มาให้เราเรียนแล้วก็เรียนแล้วเรียนอีกหรือว่าความง่วงก็มาให้เราได้เรียนแล้วก็เรียนรู้จอต้อเห็นว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนั่นแหะผ่านความรู้สึกตัวทําซ้ํำความคิดการปรุงกันแต่ง พอใจไม่พอใจมาให้เราได้ดูดูแล้วก็เห็นเป็นปัญญาผ่านแต่ถ้าเราดูไม่เห็นมันก็ไม่ใช่ปัญญามันติดติดกับถ้าเป็นปัจจัยสี่ภายนอกนก็ติดภายนอกมันจะไปลักษณะของบำรุงบำเรลอ์บำเรลอ์แทนที่มันจะใช้เป็นลนักษณะของการเสริมจุดอ่อนให้เกิดความพอดี เป็นการโออวดการ เ, เรื่องของอความมั่งมีสีสุดเป็นเรื่องการกดกันข่มการที่เอาชนะการที่ใช้อํานาจเพื่อที่จะให้ตัวเองดูดีลักษณะของให้สังคมยอมรับต่างๆเป็นเรื่องของอํานาจเป็นเรื่องของเกียรติยศสรรเสริญก็กลายเป็นเรื่องของโลกโลกิยะธรรมดาธรรมดาเราก็ต้องพิจารณาให้เหนะะืว่านั้นอีก ทมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านเนี่ยเพ า, าเรื่องของความรู้สึกตัวในบรเป็นเกณฑ์ชีวัดนะเราทำในรูปแบบนะจะเห็นชัดเป็นเกณฑ์ชีวัดเลยนะมันวัดอะไรเราเช่นเราปกติหรือไม่ปกติร่างกายของเรานีทำไมปกตินเงี้ย ธา ต, าตาดดุน้ำธาตุไฟธาตุดินธาตุลมก็เกิดโรคต่างๆมากมายมันก็จะเห็นรูปโรคเห็นรูปโรคโลคเป็นรู ป, ร, ปรูปรเป็นโรคมันเกิดขึ้นด้วยกันนะะกายแล้วก็คืนให้กกายไปปัญหาที่กายกายกาย็เราิดชอบไปเขาก็มีอ่าปัญญาของเขาเครจะปรับสมดุลของเขาเองนะถ้าเขาปรับไม่ได้ก็ ลมหมอนนอนเสือ่อลมหายตายสูญไปเลยจิตนี่เขาก็จะมีโรคของเขาเรียกว่านามโรคนามโรคโรคอันนี้ก็คืออาการที่มันผิดปกติเป็นความรักความชังความโลภความกอดความหลงความอิจาริสยาหรือว่าติถิมานะ มันก็จะเป็นโรคที่เกิดในจิตในใจแล้วก็เห็นมันอยู่ในรูปรอยของความคิดเมื่อนกะี้เราก็เกิดอารมณ์ต่างๆมากมายเหลือเกินอย่างเมาื่อวานที่ไปพูดข้างนอกว่าทางเบียาสายเขก็รู้กันประเภอ ท, ทีแอคทีฟมากๆเนี่ยทอะไรก็สดชื่นแล้วก็มีอาการการเคลื่อนไหวที่ดูผิดปกติแล้วพท้ายสุดก็คือเหี่ยวเปลี้ยบเปี้ย หมดกําลังใจไปเลยอย่างเงี้ยนะอันนี้มันก็มีชื่อบูริเมียอย่างเงี้ยทางจิตวิยาหรือว่าทํางานไม่หยุดไม่หย่อนแต่ว่าเปลี่ยนประเภทนี้ไม่สําเร็จเป็นชิ้นเป็นอัอนเปลี่ยนไปเรื่อยๆหรือว่าทําบุญไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยทำเพราะว่าติดบุญอันนี้มันก็กลุ่มของออทิสติกทิงกิ้งนะันก็จะมีชื่อเรียกมันกํากับเอาไว้อย่างชัดเจนเลยทางจิตวิยานะ ก็สามารถที่โยงหาอืมลักษณะของจิตตภาวนาได้เหมือนกันนะแต่ของจิตตภาวนาเราไม่ต้องแยกแยะอะไรมากมายขอเราแค่รู้กับหลงไปเลยสัมผัสรู้สึกมาคิดแล้วก็ไม่ต้องไปหารายละเอียดคิดเรื่องอะไรคิดทําไมเป็นอารมณ์แบบไหนไม่ต้องไปหารายละเอียดแค่มันเคลื่อนหลงปับ๊บเราก็ตัดกลับมาอย่างทันควันทันทีทันทีทันใดมารู้ว่ามันคิดเอะไรมันไม่ใช่ความรู้สึกที่กาย มันก็จะบอกทันทีแต่บเบื้องต้นหลงกายมันเข้าไปในความคิดมืออยู่ความคิดยเงี้ยมันก็ไปรู้สึกตัวมันก็จะเห็นป ร, กรากฏการณ์อย่างเงี้ยชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นมีพลังมากขึ้นเงี้ยแต่ว่าใหม่ๆมันก็จะต้องกดขม่มสักหน่อยระนาดของบีขำบันนีมุดอย่างเงี้ยนะหรือว่าเป็นระนาดของ ต่างกันวิมุตติอย่างมันก็จะมีก็มันอยู่ให้เราได้เห็นโอ้มันมีก็มันอยู่เลยนะอาการกดข่มมาการปรับเปลี่ยนผ่อนคลายบรรเทาแก้ไขคิดปรับละมาได้ทันทีนิสมุดเฉดนิสมุดเฉดเกิดขึ้นมาเห็นความคิดรู้ทันความคิดอย่างเงี้ยรวมันไม่รู้มันไม่เห็นแต่ว่าเราสร้างความรู้สึกตัวอยู่ที่ฐานกายมันก็เดินทางทันทีมันก็เป็นลักษณะของสมุดเฉด ตัดขาดทันทีหรือว่ามันสุตเฉลได้บ่อยๆจะตั้งเป็นลณะของความสงบพอเรากลับมาหาฐานกายได้บ่อยๆก็เป็นลนักณะของปัสสติวิมุตติเหมือนกันนะมันสงบระรับของมันจนเกิดนิสัยขึ้นมาทําได้บ่อยๆทําได้บ่อยๆรู้ทันได้บ่อยๆเอาตัวรอดได้ทุกครั้งทุกครั้งที่มีอารมณ์มาดักหน้าดักหลังมีทางผ่านอยู่ได้ ถึงแมเยนเคาะช่องแคบๆ แ, แต่มันก็สามารถที่จะค่อยๆสอดแทรกออกไปมีช่องเป็นมัคมัคกกวิวถีมันมีมันอยู่ก็คือทำไปในใจเห็นแล้วเห็นแล้วบางทีเป็นนิสรณะผ่านอยู่เสมอเห็นอย่างก็ต้ต้งชำนานชนานาญในเรื่องของกรรมฐานนี่ชำนานในเรื่องของการใช้ชีวิต อันนี้มันจะเป็นความสะดวกสะดวกในการที่จะนั่งเดินยืนนอนหรือว่าทำงานทำการต่างๆหรือว่ามันสำรวมภายในตัวเขมันเรียบร้อยเบสเซ็ตอย่างี้การสำรวมจริงๆเราไม่ต้องวิเครา์สำรวมอะไรนะแค่มีความรู้สึกตัวก็เกิดการสำรวมอยู่ในตัวเบสดเซ็ตเลยนะทุกครั้งที่การเคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกกระทบสัมพันธ์อะอย่าหน้าตามันก็ศักทว่าหูก็ศักทว่า มันจะไม่มีภาษาใส่ลงไปในตาในหูแต่ว่าถ้าสติกำลังไม่พอมันก็ถูกดูดโลกมันก็ทับถมทันทีตามันก็ดูดไปกระทบกับรูปอย่างงี้ไปแล้วถูกดูดไปแล้วหูมันก็ดูดไปกับเสียงเสียงก็เกิดความพอใจไม่พอใจมันไปกับโลกแต่ถ้าเรามีการเคลื่อนกันไหวกายเคลื่อนไหวหูมันก็ได้ยินอยู่แต่ไม่สนใจใส่ใจ ตามก็ได้ยินอยู่ทําไม่สนใจใส่ใจนะมัวจะเกิดทันทีทุกครั้งที่รู้แล้วก็รู้ถูกนะรู้กลางๆรู้แบบไม่จมไม่แชนะ่รู้แบบไม่ใส่เจตนาจนตั้งสติมันกล้าเกินถ้าสติมันกล้าเกินก็เรียกว่าอุปท า, านนะอุปท า, านคือสติกล้างนะก็จะเป็นอาการของวิปัสสนโชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาเราฝึกวิปัสสนาก็จะมีตัววิปนะัสสนโหน่ะวิ่งคู่มาด้วยนะ บางทีก็เกิดปิติปิติก็เรียววิปัสสนูเนี่ยบางทีมันก็เกิดอาการประคับประคองขึ้นมาในการกระทําภายในใจประคองผวาใจอ่อยอิไ ง, ไ, งไม่กล้าที่จ ะ, ะเผชิญอย่างเงี้ยเพราะลมเกิดขึ้นมาคือประคองไม่อยากเจออารมณ์ไม่อยากสัมผัสอารมณ์อันนี้ก็เป็นอารมณ์วิปัสสนูบางทีก็ เกิดความพอดีเป็นกลางขึ้นมาแล้วก็เห็นแล้วว่าอ๋อตัวนี้คือความพอดีเป็นกลางกับขับขั้งกองไม่ให้อารมณ์อื่นๆได้แสดงตัวนี่ก็เป็นอารมณ์วิปัสสนเพราะฉะนั้นปฏิบัติธรรมจึงเป็นลระดับที่ว่าเผชิญทุกอารมณ์ทุกอาการรวมทุกๆ ก, กิจกรรมก็ว่าได้แต่ว่าก่อนที่จะเจอทุกๆ ก, กิจกรรมเหมือนกับที่เราเคยก่อนปฏิบัติก่อนที่เราออกจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้เรือนแล้วเนี่ยนะ จากบ้านมาสู่วัดอย่างเงี้ยนะก่อนหน้าเราก็เจออารมณ์แต่ว่าเราสอบตกตลอดสอบไม่ผ่านเรามักจะกดกลมเราพอเจออารมณ์แเรวก็ทุกเหมือนเดิมแพ้แพ้เหมือนเดิมยังเกิดโทสะจริตเกิดลักษณะของราคะจริตวิตกจริตเกิดล้วนาของมากมายเหลือเกินที่มันเป็นเรื่องของโลกโลก แล้วก็ชวนเราทุกเหมือนเดิมอย่างเงี้ยซ้ำแล้วซ้ำอีกมันก็เหมือนกับวังวนแ ล, ล้วกัเนี้ยนะมืดแปดด้านทําอะไรก็ไม่รู้แล้วะทิศทางจะไปทางไหนก็ไม่เห็นแล้วไม่ชัดเจนเนี้ยตอนนี้เราจะเป็นนอสัยอารมณ์ที่มันน้อยลงหรือว่าอาจจะไม่มีอารมณ์แรงๆอย่างที่เราเคยเจอที่มันแสดงออกมาจากภายนอกนีย ที่เป็นวัตถุนถึงสองสาบุคคลหนึงสองสาได้แสดงออกเป็นอาการกิริยาแล้วเราก็หลุดเรื่องของข่าวสารเรื่องของการเมืองเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของปัญหาต่างๆภายในโลกเนี่ยนะมันก็อร่อยบางคนถึงขั้นเสพข่าวอยู่เสมอไม่ได้ดูก็ถือว่ามันขาดเหมือนก็คุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องเหมือนกั็มันขาดความสุข ก็เลยต้องเสพข่าวจนกระทั่งเหมือนกันว่าท้ายสุดติดเสพติดแล้วเดี๋ยวนี้ข่าวก็ปรุงแต่งรุนแรงซะเลยนะความจริงก็ ไ, ได้มีอยู่เยอะแต่ว่าการวิเคราะห์นะวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมีเยอะมากนะนะซึ่งบางทีมันก็เป็นแค่อาชีพอาชีพหนึ่งของคนนะที่สร้างโลกกันนั่นเองนะจะสร้างลอยก็หลงติดเพื่อที่จะได้สปอนเซอร์บ้างนะมีผลประโยชน์บ้างเนะี่ยมันก็เป็นลักษณะนั้นนะ บางคนนี่ก็เลยพอมาปฏิบัติทำมมันก็อดจะไหลคิดไปเรื่องของการสื่อสารไม่ได้ก็ยังต้องหลงเข้าไปในวังวนตรงนั้นนี้อีกแต่ว่าบางทีเราปฏิบัติอยู่มันก็มาบอกกับมันเองข่าวคๆต่างๆจากบางคนหนึ่งสองสามนี่มันก็มาจากสื่อหนึองสามซึ่งคนก็เอามาแล้วก็ามาทิ้งเอาไว้มากมายแล้วนั้นนี้เราไม่ได้ขนกลายนะแต่เพียงก็ว่า เมื่อเราสังเกตเห็นออกมันมีเรื่องแบบนี้ด้วยแต่เราไม่ได้ติดอกติดใจเนีเราก็เพียงแค่ว่ารู้เท่ารู้ทันรู้แล้วก็ผ่านรู้แล้วก็ปล่อยไปเป็นเรื่องของปฏิบัตคณะใหม่ๆตลอดนี่นะเพราะฉะนั้นปฏิวัติธรรมนี่มันก็ดนะีในแง่ของเราอยู่กับโลกแล้วก็รู้เรื่องของโลกไม่ต้องทุกไปกับโลกนะแต่รู้เท่ารู้ทันกาลเทศะเหตุการณ์ต่างๆ รู้เท่ารู้ทันบุคคลรู้เหตุรู้ผลรู้กรรมพืชของตัวเองชาติตระกูลหรือว่าภูมิจิตภูมิธรรมมันก็จะรู้ภายในตัวของมันรู้จักประจุชนนี้ก็อยู่กันยังไงทําอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความชัดเจนแล้วเราก็แฝงตัวอยู่ในนั้นใช้ชีวิตอย่างเรียกว่าเกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านทีเดียวกลายเป็นเรื่องของอยู่ในโลกนี้แล้วก็มีกิจกรรมนะ เราก็ทํากันไปให้เกิดประโยชน์เกิดบุญเกิดกุศลต่างๆเราก็เกี่ยวข้องบางทีก็ตรงไปตรงมาบางทีก็แบบปิดทองหลังพระบางทีเกี่ยวข้องแบบตรงไปตรงมามันก็เกี่ยวข้องไม่ได้เขาปิดโอกาสบุญอยู่เขาโยนโอกาสทําบุญอยู่อย่างเงี้ยมันมีอยู่เราต้องปิดทองหลังพระทําไปเรื่อยๆช่วยกันให้เกิดความสันติสุขสันติภาพและเกิดประโยชน์ร่วมกันได้ๆอย่างเนี้ย เพราะนั้นกรรมฐานวิชากรรมฐานมันทําให้เกิดผลที่เราว่าธรรมะธรรมชาติแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็คือธรรมะนะมันไม่ใช่ว่าดีไม่ดีชอบไม่ชอบไม่ใช่แต่มันก็คือลระณะของอาการกิริยาที่มันมีเหตุปัจจัยของมันแต่ละขณะเนื่องจากบุคคลก็มีวิธีคิดของเขาอย่างนั้นหรือว่าจัดสาราสิ่งก็เป็นของเขาอย่างนั้นหรือว่าธรรมชาตินะ ของเช่นฤดูกาลก็ เ, เป็นก็อย่างนั้นบางทีเราก็ ว, ว่าเขาแปรป่วนแปรปวนแปรปว น, ปปวนจริงๆในส่วนตัวไม่ได้มองว่าอะไรแปรปวนเลยนะโดยส่วนตัวนะมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเหตุปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกันตามกฎของธรรมชาติทั้งหมดเลยโดยเชื่อว่าถึงเราเจะนึนกระดับไหนก็ตามะโลกทั้งใบเนะีออย่ยมันเป็นตามกฎของธรรมชาติอยู่เสมอะอย่างเช่นยุคไดโนเสาร์ ยุคไดโนเสาร์เนี่ยเราเชื่อกันว่ามีเพราะว่ากระดูกมันเยอะเหลือเกินคงไม่ใช่การสร้างภาพมาจากนักธรณีวิทยานักประวัติศาสตร์ทั้งหลายถึงมันจะเป็นเลซินที่อยู่ตามออออสถานที่ที่เขามีไว้โชว์กระดูกไดโนเสาร์ก็ตามแต่ว่าไอกระดูกจริงๆเนี่ยซึ่งเราเห็นว่ามันมันน่าจะใช่นะมันมีก็มันอยู่ ไอที่ไม่ใช่แล้วก็อ้อเหลือสิ้นเหมือนน้ก็มีก็มันอยู่พอเราดูแล้วเราก็โอ้ยไดโนเสาร์ถ้ามันมีจริงๆและวจินตนาการออกมามันเป็นตัวเป็นตอนตอย่างนี้จริงๆอย่างเงี้ยถ้ามันมีลักษณะ น, น, นี้นะแสดงว่ายุคไดโนเสาร์คือคนทําลายโลกหน้าดูคงจะมีโรงงานคงจะมีนะการไม่ไม่รักษาต้นไม้คงจะตัดต้นไม้ขายกันยุคไดโนเสาร์นะแล้วคงจะทําอะไรอีกมากมายถาลุง เมืองทองอย่างยุไปวันนี้ทองมันมีมากที่ประเทศลาวเนี่ยเดี๋ยวพออาเซียนเปิดเนี่ยมันจะลดลงมาตอนนี้มันก็ลงมาเหลือประมาณสอง0มืนสามลงมาเรื่อยๆทุกคนก็เอาท่าทองถือว่ามีท่าทองก็จะเป็นผู้ที่มั่งคั่งเวลาเงินมันขึ้นมันลงเลือเกิดสงครามก็แบกทองมีค่ากวา่าไว้แลกเปลี่ยนกันทองคำแท่ง ประเดี๋ยวมันถูกลงถูกลงถูกลงเป็นแค่สมมุติเฉยๆคนก็ไปดีค่ากันแล้วก็สมมติบัญญัติมากมายจนหลงเชื่อกันส่วนตัวก็เชื่อว่าไดาโนเสาร์ก็อยู่บนเขาหนะแตัดโลกก็เป็นตามกฎของธรรมชาติภูเขาไฟก็ระเบิดลูกกาใบากระตกลงมาน้ําก็แห้งบางท่วมบางนะนะเกิดอะไรต่างๆเป็นกฎของธรรมชาตินะตรงนั้นเราไม่ต้องไปค้นหาเราคืออะไรตอนนี้เรามาค้นหาไปในตัวเราดีกว่า แต่บางทีในตัวก็ไม่ต้องค้นหาเพราะว่าองค์สมเส็จสัมมาวดเจ้าในค้นหาไว้เรียบร้อยแล้วแล้ ว, ลวหลวงปู่เทียนยิง่งพูดชัดก็ชัดเป็นภาษาไทยที่เราเข้าใจง่ายๆความรู้สึกตัวอย่างนี้แล้วก็พูดไว้ชัดต้องเคลื่อนไหวปฏิบัติสิบสี่งวะถ้าเป็นแนวหลวงปู่เทียนแล้วท่านก็ทำให้ดูแล้วก็ดูจากสื่อถึงไม่มีตัวตนจริงๆแต่สือมังไม่ก็ไม่หลอกตาจากนกระทั่ง เหมือนกับว่ากลายเป็นเรื่องของอรติสารธรรมเป็นเรื่องของความไม่จริงนะเทคโนโลยีมันเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไว้อยู่ข้อมูลที่ไม่มีประโยชน์ก็มีอยู่ที่สร้างภาพสร้างเรื่องอะไรมีอยู่แต่ขณะที่หลวงปู่เตียนกําลังสอนแล้วคนถ่ายทําเป็นวิดีโอนะอย่างคุณโตคุณโตเขาก็ถ่ายทํำมาไว้แล้วก็ยังมีภาพเหลืออยู่อาตมาหรือผมพอไปดูปับ๊บเนี่ยมันมีความรู้สึกเลยมันซุมเข้ามาข้างใน แล้วในข้การที่หลวงปู่เทียนยกมือแต่ละจังหวะเนี่ยนะมันมีจังหวะจริงๆด้วยนะแล้วเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดท่านไม่ได้ทำปลักปักนะทำแบบตามใจฉันนั่นเลยาไม่ได้ทําตามอารมณ์แบบนั้นนะท่านเคลื่อนแบบมีกรอบเลยนะแบบมีกรอบของจิตจริงๆเลยรู้แบบมีพลังรู้แบบมีพลังของสติเวลาเดินก็นเหมือนกันนะเวลาเดินแต่แล้วจังหวนะนั้น ท่านก็ไม่ไดเดินแบบไล่กวายท่านเดินแบบธรมธรมดาธรรมดาแต่ว่ามันมีพลังถ้าเราดูให้ดีมันมีพลังนแต่ละจังหวะนี้สติมันคู่กันไปเลยกับการเคลื่อนไหวของรูปธรรมนามธรรมอาการที่มันดูอยู่รู้อยู่สัมผัสอยู่รู้สึกตัวอยู่เนี่ยเห็นได้ชัดเลยมีธรรมไปเรื่อยไม่ใช่อันนี้ต้องสังเกตเอานะแบ่งงําจะทื่อหรือว่ามันมันไหล แต่ว่ามันไหลไปตามอารมณ์มาทำตามอารมณ์อย่างเงี้ยเราจะเห็นได้ชัดเลยหรือว่าหลวงพ่อเขียนเวลาท่านนั่งรรำเราสังเกตสภาวะของท่านที่นั่งทำข้างในนี่มีพลังมากท่านจะนิง่งแต่เมื่อท่านเคลื่อนเนี่ยท่านเคลื่อนแบบอิสระมากแล้วท่านโฟกัสนะจับไอตรงที่เป็นเรื่องของความรู้สึกได้ชัดมากแต่ว่าท่านจับแล้วปล่อยจับแล้วปล่อยจับแล้วปล่อย ลักษณนะเคลื่อนน่ยท่านเคลื่อนด้วยความเป็นกลางมีการปล่อยวางอยู่ในตัวถ้าเราสัมผัสปับ๊บมันก็จะซึมเข้าหาเราทันทีถ้ารู้สู่ถ้ารู้จริงๆนะเราก็สัมผัสได้สังเกตได้อ๋อการวางกายวางใจไปอย่างนี้นะมันคืนสู่ธรรมชาติจริงๆเพราะฉะนั้นรูปโลกนามโรคเรื่องธรรมชาติภายในตัวเรารูปทุกนามทุกมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติภายในตัวเรานะที่สติหรือว่า ปัญญาตาในนะมันก็สัมผัสรู้มันก็สนนะุกน่ยกรรมฐานนะมันสนุกที่เราจะฝึกหัดตัวเองแล้วก็เห็นว่าอารมณ์ต่างๆนะความคิดต่างๆถูกรู้เท่ารู้ทันจากหยาไปหาละเอยียดนีนะ้ใหม่ๆแล้วก็ไม่รู้ว่าเออการติดสุกเนะี่ยหรือว่าบางทีมันเกิดตัวสงบขึ้นมาเกิดปีติขึ้นมามันเป็นเรื่องที่นะ ไม่ควรยึดไม่ควรถืออย่างพ่อเองท่านก็เคยเล่ฟังเหมือนกันว่าบางทีปฏิบัติไปอ่นะมันไม่เคยเจอความสุขเสร็จแล้วมันก็เจอความสุขไหลลืนล่นลืนล่นลืซาบซ่านมันไม่เคยมีความสุขอย่างนี้มาก่อนหลวงปู่เทีย น, นเดินเข้ามาก็าบอกว่าเออรัศดาเนี้ยมันเป็นความสุขนะ ที่เหมือนกับกบในกะลาน้ําอยู่ในกะลาน้ํานิดเดียวอะแต่ว่ากรบมันอยู่ในกะลาให้ออกมายังมีน้ํามากกว่า น, นี้อีกนะหลว ง, งพ่อเขียนก็เพื่อให้ฟังว่าท่านก็โอ้ก็ผมไม่เคยเจอนะความสุขเนะี่ยจะไม่ให้เอาได้ยังไงนจะไม่ให้เยู่อความสุขชนิดนี้ได้ยัง ไ, ไงเนะมันสุขจริงๆนะขนาดนิดเดียวก็ยังสุขเลย เวลาไปแบบทำเนี่ยแค่ออกจากความคิดแล้วก็จิตมันมันมันเกิดความรู้สึกว่าเออปิติเนน้อยเคยเปรียบเทียบเหมือนกันมันเหมือนกับเคยเราเราทำงานแล้วก็เซ็นสัญญาแล้วมันได้งานมาจากคู่แข่งที่ประมูลงานเหมือนกันแต่ว่าสู้เราไม่ได้พอมันประมูลแล้วมันรู้ว่าได้ปั๊บจิตมันว่ามันสบายขึ้นมาแล้วก็มีความสําเร็จน พอทำงานสำเร็จปั๊บแล้วก็รับเงินจากนายจ้างมาเงี้ยงวดสุดท้ายอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีผลกําไรอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกว่าเออมีปิติมีความสุขเกิดขึ้นมา ก, ก็ได้เปรียบเทียบเลยระหว่างที่เรารู้สึกกับการยกมือสิบสี่ชั่งหวนเนี่ยอันนี้มีความสุขมากกว่าเราเห็นได้ชัดเลยเออมันแปลกเมื่อก่อนเนี่ยต้องอาศัยเวลาต้องอาศัยวัตถุทุนถึงสอ ง, องสามต้องอาศัยบุคคลต้องอาศัยสถานที่แต่ตอนนี้ไม่ต้องเพียงกลับมาหาตัวเอง มันก็เจอทันทีอย่างเงี้ยนะขนาดสุขระดับเนี่ยหลวงปู่เทียนก็บอกว่ามันแค่สุขในกะลาเหมือนน้ํำอยู่ในกะลานั้นเองหรือว่ากบโคกมันเคยเจอน้ํานี่พอเจอหน้านิดเดียวก็มีความสุขแล้วนะเพราะฉะนั้นแล้วนะของปิติสุขเนี่ยเกิดง่ายๆเลยจริงๆแล้ววิธีหลวงปู่เทียนเนี่ยเกิดได้เดินแล้วคนลุก ข, ขนพองนั่งแล้วจิตใจมันออกจากความคิดนี่ยเรารู้สึกปลอดภัยอย่างเงี้ย มันจะมีลองวัลให้เราทันทีเลยแต่ว่าเราก็ไม่เอาเรารู้เท่ารู้ทันอาการเหล่านี้มันมาให้เราได้รู้ได้เห็นแล้วก็ได้ฉลาดนะว่าเออเป็นแค่ธรรมชาติที่มีอยู่แล้วในตัวเราจริงๆเพราะฉะนั้นธรรมะแปดหมื่นสี่ธรรมะศรีหมื่นเอาใหมธรรม ะ, รรมะที่มีจํานวน8ปดหมนสี่พันพรธรรมฐันเนีนีมันก็คืออาการเหล่านี้ละ แต่ว่าเราไม่ได้มานั่งนับมันมาหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดแปดเก้าอาการอะไรบ้างเราไม่ได้หารายละเอียดขนาด น, นั้นนะหรือบางทีก็มีอาการมากมายเหลือเกินที่ใช้ภาษาเป็นตัวเลขว่าแปดหมืนสี่พันอย่างเงี้ยนะมีอาการต่างๆมากมายเหลือเกินเราก็ดูเห็นแค่เป็นเพียงความรู้สึกตัวนะเป็นแค่อาการของกายอาการของใจอาการของใจมันก็ละเอียดนิดนึง สติก็ต้องคมหน่อยอันนี้ต้องแยกคายหมายถึงว่าเราต้องปรีกวิเวกหรือว่าหาสถานที่มันเหมาะกับตัวเราเพื่อที่จะดูให้เห็นก่อนที่เราจะกลับมาสู่โลกของความเป็นจริงใหม่อีกครั้งนึงเราก็อยู่ในโลกของการปฏิบัติโลกของการมาฐานโลกส่วนตัวส่วนตัวตรงนั้นจึงต้องมีการหลบการหลีกมีการสำรวมไม่เจอได้เราก็ไม่เจอกัน ไม่ฟังได้แล้วก็ไม่ฟังไม่พูดไม่คุยได้แล้วก็ไม่พูดไม่คุยนราแม่ทากิจกรรมดิมอื่นได้ตอนนี้เราก็ไม่ทําเรามีฐารูปแบบสิบี่อย่างวะแต่พอรู้ชัดแล้วก็นีล่ลำาิจกรรมาสู่โลกอีกทีนทํางานเหมือนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนไปก็คือภายในเขาเราไม่ต้องทุกข์กับสิ่งที่เราทําทั้งหลายทั้งปวงทําแล้วก็แล้วไปทําแล้วก็แล้วไปมันจึงเป็นลักษณะของปัจจัยสี่ภายในน สติศีล ส, สมาธิสัมปชัญญะตัวเนี้ยนะที่จะพาเรานะไปสู่ความสะดวกใจในการที่จะใช้ชีวิตนะอยู่กับคนที่นินทาก็ได้อยู่กับคนที่กรสาระเริญก็ได้นะมีราบเสริมราบมียศเสริมยศมีสุข ม, ม, ม, มีทุกนะมันไม่ได้มีปัญหาเลยเลยเพราะว่าเรารู้แล้วของที่มันมีค่าที่สุดก็คือภาวะของความรู้สึกตัวนะเป็นอริยสัพย์ภายในใจของเรานะนะนะเราจะไม่จนใจนะจนเงินไม่มีข้าวกินนะจนใจเนะี่ย เราจะมีปัญหาหลายอย่างเกิดการทุกขึ้นมาเนื่องจากการคิดการปรุงกันแต่งเป็นความเครียดเกิดการขัดแยง้งจนทนอยู่ยากเป็นภาวะที่เราไม่เคยกลับมาหาความจริงของชีวิตเราก็คือความเป็นปกติไม่คืนินจิตคืนใจเดินทางสู่สภาวะปกติทุกกายก็คืนให้กายกายทุกใจก็เกนให้จิตใจภาวะของจิตก็เดินทางสู่ภาวะปกติ จิตใจมันก็ต้องมีความเป็นปกติอยู่เป็นพื้นฐานถึงเรียกว่านิสสลระณะเป็นเรื่องของธรรมที่ทําให้เกิดความไม่เสื่อมไม่ถอยตัวนี้นะอันนั้ผมและธรรมะก็พูดมาจานั้งเห็นว่าสมควรแก่เวลานะก็ขอให้อํานาจของความรู้สึกตัวที่เกิดจากการนั่งเดินยืนนอนแล้วก็การใช้ชีวิตนะที่เรามีสติเจตนากําหนดเบื้องต้นนะก็พาเราไปเดินทางไปสู่ความสะดวกของชีวิต ก็คือมีมธาตรฐานของจิตก็คือความเป็นปกติก็ขอให้ทำมารรมสมควรแก่การปฏิบัติก็จงได้สัมผัสตามสมควรแก่การปฏิบัติโดยทัวหนักกันทุกท่านทุกรูปทุกนามเธอ